เป็นอีกช่วงหนึ่งของการปฏิบัติพร้อมดังการฟังธรรมกันจริงๆเรื่องของการฟังธรรมมันก็เหมือนกับร่างกายที่ต้องทานอาหารไปทุกวันทุกวันทุกวันการฟังธรรมก็เหมือนกันก็เป็นการประเทืองปัญญา ทําให้เราเหมือนไม่พร่องนะแต่มาใช้คาว่าเหมือนคอยเติมคอยเติมคอยเติมคอยเติมไม่ให้พร่องจมสังเกตดูเมื่อเราได้สดับรับฟังในขณะฟังธรรมเนี่ยจิตของผู้ฟังธรรมเนี่ย อย่างน้อยก็คือน้อมไปในในกุศลเมื่อน้อมจิตไปนะสมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมเวลาน้อมจิตลงสู่ธรรมเนะี่ยฌานเกิดไดนะ้แต่ไม่ใช่เป็นอปปนาสมาธิแต่ฌานนั้นเกิด จิตอันรวมมีเอกขตาจิตจิตอันเป็นสมาธิและจดจ่ออยู่ในการรับฟังในการฟังฟังฟั ง, ฟงเกิดความรู้ขึ้นความสงสัยที่เคยมีความไม่รู้ทำให้เราเกิดความรู้ หมดจากความสงสัยขึ้นและในที่สุดจิตก็เลื่อมใสความเลื่อมใสความเอิบอาบความอิ่มเอิบยมสังเกตไหมถ้าเราศึกษาในประวัติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมครั้งใดอาทิกััลยาณันงมัดเชกัลยาณันง ปริโยซานั ก, กันระยานังธรรมของพระผู้มีพระภาคแสดงครั้งใดเนี่ยเทพชมรมสรรเสริญว่าภัยร้อนักในเบื้องต้นภัยร้อนักในทํากลางและภัยร้อนักในท้ายที่สุดในปริโยสารทำไมจึงบอกภัยร้อน ไม่ใช่เกิดแต่ปิยวาจาไม่ใช่แต่เป็นวาจาที่ไม่มีเวรไม่มีบาปไม่มีอกุศลและไม่เศร้าหมองคือเหมือนน้ำอะมองแล้วมันยิ่งใสใสใสใสใส ไม่เจือด้วยโคนโคนตมฟังเบื้องต้นก็รู้ว่านี่คือทางสงบพอฟังไปฟังไปฟังไปในท้ำกลางนี่แหละคือทางของการเจริญซึ่งกุศลจิตพอฟังไปอีกฟังปอีกในท้ายที่สุดนี่แหละทางอันหมดจด จากเครื่องเศ้ามองอันเป็นกิเลสน้อยใหญ่อยู่จบพบน้อยใหญ่ตมาเองก็ไม่สงสัยไม่สงสัยตมาเคยบอกเลยว่าถ้าองค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเสด็จมาในขณะที่พวกเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพระองค์แสดงธรรมจบตมาตามพระองค์ไปด้วย พูดจริงใครจะเอาก็เอาไปสำนักแต่มาไม่เอาแล้วไปโรดเด้อไปโรดเพื่นวะบอกบทเที่ยวทั้งเกา่าเพื่นวะไปโรดไปโรดเพื่นบอกคือจะไม่กลับมาเที่ยวในทางที่เป็นทุกข์อีกเราจะไปเหมือนผู้ไม่มีทุกข์ เราจะไปเหมือนผู้มีอิสระไม่ใช่ไปอย่างผู้ไม่มีอิสระเพราะเราเดินตามจอมุนีผู้เป็นประอาชแห่งความเป็นอิสระภาพในการปลดปล่อยจิตวิญญาณสัตว์น้อยใหญ่ในภพภูมิแห่งสามเสด็จจะมาไม่สงสัยไม่สงสัยจะมาเคยถามแล้วก็ไม่ถาม คนไกลถามคนใกล้ก็คือตัวเองว่าท่านมาจากไหนบอกเรามาจากที่เคยมีทุกข์แล้วท่านจะไปไหนเราจะไปในที่นีราทุกข์แล้วที่นั่นอยู่ที่ไหนรวมความที่นั่นคือหัวใจของเราตั้งแต่เริ่มใช้ชาติ อันเป็นปฐมจนถึงปริโยศาสตร์ในที่สุดเราจะไปสู่ความเป็นนิรทุกเราจะปลดปล่อยหัวใจที่ได้สั่งสมหมักมมที่เรียกว่าเครื่องหมักดองสาสวากิเลส แล้วก็ถามว่าในความเกิดท่านเห็นสาระประโยชน์และเก่นสารอะไรเมื่อก่อนตอบไม่ได้คิดแล้วมันจะไปวัตถุมันจะไปในเรื่องวัตถุบุคคลสิ่งของลาบยศอำนาจแล้วก็โลกีสุขแต่พอมา ในช่วงท้ายๆของชีวิตมีความดำริอันเป็นสัมมาทิฏฐิที่เอาเรื่องของอริยสัจเข้ามาอบรมจิตทุกที่มีเหตุของทุกที่เกิดความดับและการก้าวออกแต่มาเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออก ฉนันในเมื่อทุกมีเราก็ต้องดับได้ทุกอย่างฉะนั้นเก่ฑสารของความเกิดไม่ใช่ความตายไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความเจ็บและไม่ใช่เสียงหัวเราะหรือการร้องไห้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อยู่ดีว่าเรารู้จักทานศีลภาวนาแค่ไหน เรารู้จักการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพียงไหนแล้วอบรมให้เกิดญาณแห่งวิปัสนาอันมีนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเนี่ยในคำสำคัญตรงนี้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละคือทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าได้มรรคผลนิพพานต้องมีนิพพิทายานแต่ใครยังไม่ได้นิพพิทายานยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใ ช, ใช่จิตนั้นยังไม่ใช่จิตต้องน้อมไปก่อนว่าอริยสัจ ตามความเป็นจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิต้องกําหนดรู้ด้วยถ้าอยู่แบบไม่รู้บอกเราปล่อยวางแต่มาบอกถ้าอย่างนั้นคนบ้าก็ปล่อยวางเด็กพึ่งเกิดก็ปล่อยวางมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่มาเคยเทียบระหว่างปล่อยจิตกับปล่อยวางมันคนละอยา่างคนละอยา่าง คนที่เสร็จภาระกับคนทอดทุระมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าสับสนก็เข้าใจว่าเรื่องเดียวกันเหมือนบางคนเข้าใจก็ว่าสันโดษงอมือเท้าไม่ตมไม่แกงไม่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่สันโดษหมายถึงว่า อยู่อย่างรู้มีสติที่ไม่ถูกความโลภเามาครอบงำสรุปง่ายๆคํานี้สันโดนในพระพุทธศาสนาอยู่อย่างรู้ที่ไม่ถูกความโลภเขามาครอบงาทีนี้ไปแปลอไปปฏิบัติตัวท่านศาสนาพุทธของเรา ถ้าไม่เข้มแข็งชนะกิเลสไม่ได้หรอกแต่ไม่อดทนชนะข้าศึกที่มีอยู่ภายในใจของตนไม่ได้ไม่มีความเพียรอันยิ่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละาศาสวกิเลส ข, ของตนเองได้เป็นนั้นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมีการยืนยันว่าหลัก ทำในพระพุทธศาสนาแข็งแกร่งแต่ไม่ก้าวร้าวอ่อนโยนแต่ไม่หวั่นไหวเนียนละเอียดสุขุมคัมภีรภาพไม่ใช่เพียงสัมผัสแล้วก็มีทุรีมาเกาะติดไม่ใช่ จมาเจาะหาพบเจาะหาดวงจิตเจาะหาการเวลาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตทุ่มเทลงไปนะไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติตามตา ม, ตามกันโดยไม่มีปัญญาไม่ใช่แก่นอยู่ไหนธรรมาบอกแก่นสาระนะ มันไม่ใช่เอาคนนั้นมายกเอาคนนี้มายอกันแล้วก็บอกนี่คือแก่นในพระพุทธศาสน า, ศาไม่ใช่แก่นสารคือเราต้องทําไม่มีมรรคผลแต่หนทางมรรคผลมันทําอย่างไรเมื่อก่อนตั้มมหาวิธีนะวะ่ามันต้องมีทางมันต้องมีทางทางรัฐแน่นอนมันต้องมีทางรัฐแน่นอน ทางมันต้องมีทางลัดทางอ้อมแต่มาก็พยายามหาวิธีว่าเราจะนิพพานในเร็วที่สุดเอาชาตินี้เลยอย่าไปรอคนที่เขาเบื่อต่อร่างกายเบื่อต่ออัตภาพเขาไม่ได้ยินดีว่าร้อยปีเก้าสิบ แปดสิบเจ็ดสบหสิบเขาไม่ได้มองว่านั่นคือแก่นนะอายุยืนอายุสั้นยังไม่ใช่คือแกศยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชฉะนั้นใครก็ตามถ้าได้มรรคผลวันนี้ตายวันนี้นั่นคือผู้มีแกศแม้องค์สมเด็จพระพุทธ พ, พาคเจ้า จะไม่ทรงห่วงเลยบุคคลที่ได้อริยมรรคอริยผลแล้วก็สิ้นไปไม่ว่าจะโดนโควิดพระองค์บอกเขาไปดีแล้วเขาไปดีคติเบื้องหน้าต่อจากนี้เขามีสุขติแล้วก็เป็นหนทางแห่งมรรคผลอันไม่เกินเจ็ดชาติ สบายแล้วนี่คือแก่นฉะนั้นเรามาปฏิบัติมาภาวนามาบำเพ็ญเนี่ยพวกเรากำลังหาแก่นบางคนบอกหาแก่นทําไม่ต้องไปหาแก่นทําต้องหาแก่นชีวิตที่มีดวงจิตแล้วก็ให้จิตนั่นแหละบำเพ็ญทำจบ พบจะมียาวสักแค่ไหนแต่มาบอกได้ว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะย่นย่อนี่คือทางรัดแต่ไม่ใช่เดินรัดมันไม่มีไม่ใช่ก็พยายามหาอุบายทุ่มเทเก็ไปกลางคืนกลางวันไม่ได้สนใจหรอกเรื่องเข้าเข้าอาหารขนมนมเนย เพราะนั่นคือการดำรงไว้ในชีวิตแต่ชีวิตอยู่อะไรที่เป็นแก่นก็พยาพยามพยายามบาเพ็ญภาวนาจนเราเริ่มรู้สึกว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคเริ่มต้นอยู่ที่ไหนอัตามหาหาน่าดูเลย จากที่มั่วก่อนแรกๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรทํากลางพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก่อนเป็นพระพุทธเจ้าและที่สุดความเป็นพระพุทธเจ้าได้มาอย่างไรเกิดตอนไหนหรือมีคนสถาปนาหรือพระองค์เองตรัสรู้เองหรืออะไร นี่คือความวิกิติฉาที่มีตลอดจิตที่ยังไม่ลงตัวยัดโจมจิตที่ยังไม่สามารถข่มให้สงบลงได้ต้องใช้ว่าจิตที่มันยังพล่านอยู่เอาจริงจิงเดินก็เดินพล่านเลยนะไม่รู้จงกลมไปจงกลมเดินเดินไป นางก็นังเรารู้แต่วิธีปฏิบัติแต่เรายังไม่เคยเอาธรรมะมาปฏิบัติใจถ้าคนเอาธรรมะมาปฏิบัติใจชาตินี้เห็นหน้าเห็นหลังนะอิหรีบาวาเลนดนจริงๆเห็นคักโลดเห็นจริงๆ แต่ถ้าเรารู้เพียงวิธีปฏิบัติพูนจักมื่อใดเด้อมันเหมือนกับเราทำแบบฟอร์มอะแต่ปัญญามันยังไม่ถูกใช้มันถูกแต่ระเบียบถูกตามเกณฑ์แต่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ในอนุสัยรากเง้ากิเลส ที่มีอยู่ในใจของเราเองสำคัญเจ้านั้นถ้าใจของใครยกขึ้นสู่ธรรมแล้วเอาธรรมมันนั่งใครแนบสนิทมีอยู่คำหนึ่งพวกเราเคยได้ยินนะผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราระตถาคต ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมพระธรรมนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจริงบอกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าธรมรมะเป็นพระพุทธเจ้ า, าไม่ใช่ร่างกายโอ้ตมาบอกเจอแล้วเราเจอพระพุทธเจ้ า, าบางคนค Hard งนึกว่าเจอศรีระร่างกายมันบ่แม่นนะ มันยังไม่ใช่นะแต่อาศัยสลีระร่างนี้บำเพ็ญอยู่ภาวนาอยู่ปฏิบัติอยู่แต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ธาตุสีบรรลุนะจิตบรรลุจิตบรรลุธาตุสีเน่าเปื่อยท่านเห็นธาตุสีเน่าเปื่อยจิตจิงวางจากความยึด จิตจึงไม่ยึดจึงเรียกว่าละวะ่าในเรื่องของอารมณ์จิตในเรื่องของความมั่นหมายในธาตุในกายในขันหรือในสกลกายบอกเออมิหนาผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระ พระธตเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าอยู่คู่โลกอยู่คู่ธรรมและธรรมนี้ก็เป็นโดยธรรมเราจะปรุงจะแต่งอย่างไรก็กลับมาที่เดิมคือธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับหรือสลายหรือเสื่อมแปลจากสภาพหนึ่งสู่สาภาวะสภาพหนึ่ง พอเข้าใจอย่างนี้นิ่พิทยานเกิดไ้ยเกิดเกิดตรงไหนเห็นน้ำไหลใจไม่ไหลเอาจริงๆไปนั่งดูน้ำไหลใจไม่ไหลกระทงไหลไปตามสายน้ำอารมณ์ไหลไปตามภัสษะน้อยใหญ่ตามอดีตตามสัญญาแต่ถ้าสติตั้งได้จิตที่ไม่ย้อนไปปรุงแต่ง ไม่ไหลเขาเรียกคงเส้นคงวาคงที่จึงเป็นจิตอันตั้งอยู่โดยฌานที่มีฌานเลี้ยงอยู่อย่าลืมนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีสมาธิจิตเลี้ยงอยู่ตลอดแต่ไม่ได้เอาความมั่นหมายในสมาธิแต่สมาธินั้นแนบอยู่นะสมาธิไม่ใช่ตัวตนยืนยันได้สมาธิไม่ใช่บุคคล แต่สมาธิเป็นพื้นฐานให้จิตวางนิ่งสงบแต่มาบอกนิ่งสงบเป็นอาการของสมถะรู้ตื่นแจ้งเป็นอาการของวิปัสสนาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จิตสัมผัสทั้งนั้นเลยรู้รู้ว่าสงบแต่สงบไม่ใช่เราสงบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหลายคนบำเพ็ญหนักหนักเข้าติด ติดความสึมของมเขาเรียกติดชาญต้องแกะออกนะแกะออกบางคนศึกษาธรรมะท่องไปท่องมาติดตำราถ้าผิดอยากตำราไม่ใช่จะบอกปัญญาสร้างตำราไม่ใช่ตำราสร้างปัญญาเน้นอีกคำหนึ่งปัญญาสร้างตำราแม้ว่าเล่มไหนไม่ใช่ ตัราสร้างปัญญาระวังมันเป็นดาบสองคมถ้าเข้าใจแล้วก็ใช้ถูกถ้าเข้าใจถูกก็ใช้เป็นถ้าเข้าใจเป็นจิตเย็นมันเป็นอย่างนี้ธรรมะเหมือนธรรมะที่เราศึกษาอยู่พอใช้เป็นเย็นได้เห็นพอใช้ได้เย็นเป็นใช้ไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช้ไม่ได้เย็นไม่เป็นกลับมาที่เดิม มันของไผเนี่ยของคอยคอยมันไผตัวกูของกูไงคอ ย, ยแปลจากอีสานเป็นไทยยิ่ยงละเอียดเท่าไหร่แต่มาบอกคนยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร พระพุทธเจ้ามีวิถีดำเนินอย่างไรอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนเคี้ยวดื่มพูดคิดนึกทมเริ่มจากไม่มีเวรไม่ผูกเวรไม่จองเวรไม่ทำบาปไม่มีบาปละบาปไม่แสวงหาทุกข์ทุกไม่เกิดไม่เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างไรก็อยู่ที่นี่หัวใจของพระองค์คือผู้ว่างเว้นในภพอันต้องมีภพไปสู่ภพพระองค์อยู่เหนือแม้แต่กำว ม, มบุญแต่พระองค์ยังเจริญอยู่ด้วยกุศลเพียงแต่ว่าบุญนั้นของพระองค์นั้น บริบูรณ์แล้วคือไม่พร่องเอิบอาบอิ่มเอิบเบิกบานร่าเริงบันเทิงจิตนี่คือวิถีจิตของพระพุทธเจ้าเบิกบานร่าเริงบันเทิงบันเทิงธรรมมีธรรมมีธรรมของพวกเรา เบิกบานกับอะไรก็ไม่รู้เบิกบานกับดอกไม้บานเบิกบานกับกาลมคุณอิมเ อ, อิบกับโลกีวิสัยมันไม่พ้นวิสัยที่เป็นทุกข์เห็นไหมพอเราเห็นว่าแล้วพระพุทธเจ้าเริ่มตรงไหนเริ่มที่ค้นหาว่าที่สุดของทุกข์คืออะไรและ ลงมือปฏิบัติความดับทุกข์อยู่ที่ไหนจึงจะรู้ว่าการก้าวออกไม่ใช่อยู่ๆก็โดดขึ้นมาเลยไม่ใช่ต้องมีพื้นก่อนมีพื้นมีพื้นบารมีสิบทัศเนี่ยเป็นเดิมแล้วถ้าเป็นการทาสีแบบนายช่างสีโอ้โหต้องบอกว่ารองพื้นแบบเนียนแล้ว เอาสีอะไรมาทาทับนิดสีนี้ขึ้นเลยแม้กระนั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังต้องทุกข์ปางตายจึงสรุปว่าไม่มีใครที่จะทำได้ยิ่งกว่าแล้วถ้าทรมานอีกชีวิตก็ไม่เหลือเพราะสรลีระอัตภาพ ร่างกายไม่ทนทานที่จะรับสภาพทุกนี้ได้อีกทุกขระกิริยานี้สุดยอดแห่งการทรมานแล้วคนถ้าไม่ได้กินข้าวกินน้ำอดอาหารแล้วก็เตรียมตายแต่พระองค์ไม่ได้วันไหวในเรื่องของเวทนาเพียงแต่ว่าสติได้ระลึกว่า ทางนี้ไม่ใช่ความพ้นทุกเห็นหั้มทางนี้ไม่ใช่ความพ้นทุกข์และหนทางนี้ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกขสรุปว่าอดกายไม่บรรลุพระองค์เห็นแล้วคำหนึ่งอดกายไม่บรรลุจึงได้สติเหมือนที่ยกว่ามีพินสามสายตึงตึงมากสายขาด ยนยานดีเท่าไหรไม่ไดังก็มีวิธีเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเป็นสายกลางการปฏิบัติสายกลางคือรู้ทุกเหตุของทุกก่อนแล้วมาถึงความดับการก้าวออกจึงเรียกว่าสายกลางไม่ได้หมายว่าสายกลางเอา50มาแบ่งครึ่งหลือยีไม่ใช่หนึ่งร แบ่งครึ่งห้สิบนี่คือสายกลางหรือว่าข้ามมาหนึ่งจานแบ่งครึ่งนี่คือสายกลางไม่ใช่อย่าเข้าใจอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ความยาวความสั้นความใกล้ความไกลไม่ใช่นะสายกลางหรือความอ้วนความผอมเอามาพูดเป็นสายกลางไม่ได้ไม่เป็นบรรทัด ฐ, ฐานแต่สายกลางของพระพุทธเจ้าคือทุกเหตุแห่งทุก เรารู้แล้วอดกายไม่บรรลุยืนยันได้กั้นลมหายใจเบื้องตำ่ำเบื้องสูงลมตีขึ้นตีลงเสียบแทงไม่บรรลุอดอาหารไม่บรรลุทำฌานจนถึงอรูปฌานแปดไม่บรรลุไม่บรรลุทรงทราบว่าอดใจ อดใจต่อสิ่งบีบคั้นแล้วจงสลัดคืนกลับไปสู่ภพน้อยใหญ่คืนกลับไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้ชำระล้างสลีระแล้วได้ทำพัฒกิจแล้วก็มาบำเพ็ญใหม่มาบำเพ็ญด้วยว่าความดับและการเก้าออก กำลังรู้ในทุกเหตุของทุกเป็นงี้ลำดับและการก้าวออกเกิดความดั่ริขึ้นในใจหนึ่งออกจากกามแล้วทางนี้แหละเราจะพ้นทุกต้องออกจากกา ม, ก า, ม, มาขขการมสุขคันและการนุโยกไปไม่ได้ติดชุ่มอยู่กับกามไปไม่ได้นั่งไม่ได้ถ้ากอดอยู่กับสิ่งสวยงามจิตมัน มีราคามากไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดรู้แล้วทรมานก็ไม่บรรลุชุ่มอยู่ด้วยความติดอยู่ในกามในโลกีะ้ะก็ไม่บรรลุรู้ทางแล้วนี่คือเหตุของทุกข์มนุษย์ปุถุชนหมกมุ่นอยู่อย่างนี้เอง ติดอยู่กับความพยาบาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเบียดเบียนหนนทางนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเห็นไหมชัดเลยพระองค์รู้วิธีดำเนินนะถึงออกได้ไม่ใช่อยู่ๆออกแล้วออกมาจากไหนไก่ออกจากไข่เ็เาถามว่าไข่ออกจากไหนมันออกจากไก่อีกถามอีกมันเป็นอจินไตมันเกินวิสัยที่เราจะรู้ ถึงรู้ไปก็ดับทุกข์ไม่ได้เอาที่มันดับทุกข์ได้ใบไม้ในกา ม, มือก่อนพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเออความดมําริที่เมืี่บอกมักมีองแปดเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เกิดลอยๆคนไม่เข้าใจเขาอ่านนึกว่าลอยๆขึ้นมา เ, าเขาแต่งขึ้นมาไม่ใช่ปัญญามาก่อนตำราตามหลัะถูกถ่ายทอดออกมา จากผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกนระดาริจนมัดมีองแปดเนี่ยครบนะครบขึ้นมาหมดแล้วอะไรที่จะมาเบียดบังจิตเนี่ยไม่แล้ววาจาก็เป็นวาจาชอบชอบตรงไหนชอบที่อยู่ด้วยศีลแล้วไม่ ไม่ด่างพร้อยไม่ละเมิดเนี่ยศีลรับรองแล้วฉันจะมาบอกใครที่บอกบรรลุบรรลุบรรลุอราหันต์ที่เราพูดกันเนี่ยนะฉันศีลต้องรับรองนะฉันทำต้องรับรองแล้วก็ปัญญาจะต้องเห็นในเรื่องอริยสัจแล้วก็เห็นจริงๆนะเห็นจริงๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลย เป็นเรื่องใหญ่พอเข้าใจในทางการบําเพ็ญแล้วเนี่ยเราเราสังเกตไหมว่าทำไมพระอาหารหันต์ไม่ยอมผิดศีลนั่นหมายถึงว่าศีลปรามัดยอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาศีลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านรู้ว่า ขนทางนี้แหละผู้ไม่มีเวทมีขนทางเดียวแต่เมื่อไรเราโต้อตอบซึ่งกันและกันก็เหมือนออนน้ำสตร์เข้าหากันมันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฉะนั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะกว่าจะได้มักมีองค์แปดขึ้นมาเนี่ย องสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้เกิดสมมธิทิฏก่อนในปฐมเลยพอต่อมาก็รู้ว่าจิตของเราได้ดำริออกจากอะไรจรึงจะทำให้ทุกที่มีดับลงเวรที่มีให้หมดจากเวรคือผู้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันบำเพ็ญมาเรื่อยๆเลยนะ แม้การพูดจาก็มีศีลเป็นเครื่องรับรองพูดคำไหนเมื่อตั้งใจเจตนามีแล้วนั่นคือศีลไม่ทุศีลและต้องรักษาได้จริงๆไม่ว่าหน้าที่การงานอาชีพมันสะอาดมาแล้วกายนี้วาจาคนที่สะอาดด้วยกายวาจาไม่ใช่สบู่ ไม่ใช่แป้งแต่สะอาดด้วยศีลเป็นเครื่องชำระสะอาดแล้วเราอยู่ใกล้เนี่ยไม่มีภัยไม่มีโทษและไม่เบียดเบียนหลับสนิทตื่นสบายไม่มีกังวลแต่ถ้าเรานอนใกล้คนไม่มีศีลเนี่ยอ้าว ไม่ไหว哟ไม่ไหวรู้ว่าเรามีของมีค่าหน่อยเราเองก็ใจไม่ดีแล้วนะพอลืมตาเอามีจีคอนแต่ล้วอยากขยับอยาเขยืย่อนเดี๋ยวเลือดจะไหลก็าบอกล้วงมาเก็บไว้ที่ไหนเอาหมาให้หมดมีเช่นนั้น จะไม่ได้หายใจเขาบอกเขาําอยากหายใจไหมถ้าอยากก็ส่งมานะแต่มาเชื่อว่าโยมยังอยากหายใจอยู่ก็ต้องส่งให้นั่นคืออยู่อย่างผู้มีเวรักทรัพย์ก็มีเวทเบียดเบียนก็มีเว ร, เ ร, เ, ว ร, เ, วรเราที่ลาบากทุกข์กันอยู่ ถูกจองเวรกันเพราะเราเป็นผู้ผูกเวรกันมาฉะนั้นถ้าเราะระลึกได้ชาตินี้ยอมสักชาติเนี่ยไม่ใช่ยอมคนนะยอมเพื่อความสิ้นเวรยอมเมื่อก่อนธารมาเคยพูดหน้าไม่เหมือนบิดาแล้วก็พ่อบอกสู้ลูกแม่พ่อธามาก็ชอนเก่งกันนกัน ลูกผู้ชายสู้ลูกหน้าไม่เหมือนพ่อลูกแต่ตอนนี้ให้กลัวไม่กลัวแต่ว่าให้ให้คิดเบียดเบียน เ, เขามันขวางมรรคผลเราเองเช่นถ้าเราต้องการมรรคผลมากเท่าไหร่การเบียนเบียนจะชะนักเท่านั้นมันเป็นเหตุผลที่มันค้านกันเองและมันสู้กันเองและมันต้านเองใครมีกําลังกว่าฝ่ายนั้น ก็ชนะพระหลอมานอยู่ที่ใจของผู้นั้นเองยิ่งเรามีจิตใจตั้งมั่นคงแล้วมีสติจเจริญทำความเพียรอยู่ทำสมาธิจิตไปด้วยเนี่ยมันเกื้อกูลทุกเรื่องเลยนะฉะนั้นหลายคนมองข้ามมาสมาธิทำแล้วมันยังไม่ใช่ปัญญาอย่าพึ่งเจราจา อตมายินยันบกทานมันก็ไม่ใช่อ น, นิพานทีเดียวทานก็เป็นเหตุแห่งใจละความตรนีเมื่อละความตรนีได้ใจมันก็ปฏิบัติทำได้คนละความตรนีไม่ได้ถามจริงแล่ว่าเราจะได้ทำชั้นสูงได้ไหมไม่มีทางเพราะความตรนีก็ยังเป็นกิเลสตัวหนึ่งทําให้ใจเราเศร้าหมองนะ มันติดมันยึดนะแล้วคนทูตศีลและไม่มีศีลปฏิบัติธรรมได้ไหมไม่ได้เป็นผู้ไม่ปกติจิตจิตไม่อยู่ด้วยความเป็นปกติขมไม่ลงขมไม่ลงจิตมันฟูช้างชงวงหรือสมัดงวงหรือใส่งาไปด้วยก็ได้แทงเลยนะมันยังอาลวาดสรุป นะสรุปมันยังอารวาดไม่ได้ของเราต้องฝึกพร้อมที่จะออกรบแล้วก็ไม่ตื่นต่อข้าศึกแต่ไม่ย่รบด้วยศาสตรารบด้วยปัญญารบด้วยวิชารบด้วยจารณะรบด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจึงจะชนะกิเลสได้ ยิ่งจับศาสตรายิ่งเข้าทางก็เลยก็ดูมนุษย์เราฆ่ากันไปฆ่ากันมาใครชนะมันก็กลับมาใช้าชาติกันไปใช้าชาติกันมาแต่มาไม่เห็นว่าใครชนะใครเลยชาตินี้มึงฆ่ากู้ชาติหน้ากู้ฆ่ามึงชาตินี้มึงฆ่าแม่กู้ชาติโนกูก้ฆ่าแม่มึงฆ่าไปฆ่ามาไม่เห็นใครชนะใครอโหสิเลยถึงชนะ พวกเราที่สุดต้องมีก็มอาอโหสิกรรมโยมต้องเริ่มท่องได้แล้วอโหสิกรรมต้องมีแล้วในหัวใจของผู้ภาวนาต้องมีก็มะอโหสิอโหสิกรรมยกให้เลยยกอโหสิอโหสิอโหสิยกโทษยกโทษไม่มีเวรไม่มีการผูกใจกันแล้วอโหสิ แล้วนอนหลับสบายขึ้นนะอา่าวไปทำไปเลยจุดทูบหน้าหลวงพ่อใหญ่เลยที่สำนักเลยบอกเลยบัดนี้ข้าพเจ้าได้อโหสิกรรมแล้วจิตที่เคยปูุกพยาบาทอาฆาตเขียดแค้นมาขอให้สิ้นสุดลงข้าะเจ้าจะไม่จองเวรแล้วโอ้โหจิตนี้สูงขึ้นอีกหลายพบเลยนะทาเถอะ เราจะเสียเปรียบเราจะขาดทุนมาสักกี่ล้านล้านก็ช่างมั้ยยมยอ ม, ยอมปฏิบัติธรรมะให้จิตมันได้ธรรมะสักชาตินึงและแล้วยมบอกโอ้มันใช่แล้วยมจะไปแบกไมไอ้ความผูกใจอยู่มันไม่ได้อะไรข้าก็ตายไม่ข้าก็ตายสัตว์มันก็วิบัติกันอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไป ไม่จำเป็นสรุปว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าทางวิบัติฉะนั้นคนที่ทำสมาธิอยู่คนที่ทำฌานอยู่บ้างเนี่ยดีไหมดีแต่ไม่ใช่หลงว่าสมาธิเป็นเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อารมณ์ฌานเกิดเราได้ฌานนั่นเราได้ฌานนี้ขอให้จิตเพียงรู้ว่าเออ สภาวะจิตมันเช่งนี้นะจิตของเราปล่อยวางอย่างนี้น ะ, ะกุศลจิตของเราเกิดอย่างนี้นะทำเราพิจารณาทำเกิดอย่างนี้นะเสร็จแล้วอะไรที่เป็นไปเพื่อความปล่อยวางทุกข์ได้ก็ปล่อยวางอะไรที่จเจริญกุศลได้จเจริญให้ยิ่งเข้าไปมันดี อย่างศีลเงี้ยเรายิ่งรักษาได้เท่าไหร่เราก็สะอาดและแต่ามาบอกไปเลยไปนั่งในป่าห้วย้หนองครองบึงเน่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าสัตว์ร้ายจะมาทำลายเราได้ไม่ให้งูผ่านก็ไม่ทำนอกจากเวรกรรมจริงๆที่มันมีต่อกันส่วนมากจะไม่ทาจะมีผู้ดูแลรักษาเรานะ อย่าลืมในป่าในเขาเขาก็มีมูะเทวดาเขาดูแลอยู่ลุกเทวดาเขาดูแลอยู่เจ้าป่าเจ้าเขาเขามีเขามาอันุธนาแต่เราต้องเป็นคนที่อ่อนโยนนะไปไหนบอกกล่าวเขานั่งที่ไหนจะบำ เ, เพ็ญภาวนาที่ไหนจะพักครั้งงแรมที่ไหนสักคืนบอกเขาจะขับจะถ่ายตรงไหนไปที่ต่างไม่ใช่ที่ของเรา บอกเขานอนเถอะโอตามานี่บอกเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเวลาเดินป่าเดินเขา่าที่ไหนบอกเฮียนเทียนนะไม่ได้ท้านะไปไปดีสติแม่สติดีดมากมากเลยขนหัวคอยลุกตั้งมันไม่ยิ่งดีใหญ่เลยขนตัวสู้ซาสู้ซาแหน่ยิ่งได้ผลแล้วดี สติมันมันอยู่จิตมันไม่ส่งคนเราเมื่อไัยมาถึงตัวมันก็สุดๆนะตัวนั้นมันอยู่นิ่งเหมือนกันนะมันก็มีพลังสุดยอดของมันอยู่ตัวกำกัดกระบอกจะพักจะหลับจะนอนก็บอกแม่ธรณีแม่คงคาแม่พระภายแม่พระเพลิงแม่ธาตุทั้งสีอัตมาภาพได้เดินทางมาถึง ดอนแรมเพื่อมาบำเพ็ญสมณธรรมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบาเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั้งหลายที่ดูแลอยู่ในสถานที่นี้มาร่วมมาอนุธนากับมารม้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอรตมาจะพักครั้งแรมที่นี่ก็ให้ดูแลอัตภาพร่างกายสัตระนี้เพื่อจะได้บำเพ็ญภาวนาต่อท่านก็จะได้รับส่วนบุญกุศล สัตว์ทั้งหลายอันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็แผ่เมตตาได้อุทิศส่วนกุศลให้นอนไม่เถอะไม่มีหรอกคำว่ า, านอนสะดุง้งไม่มีไม่มีไม่ต้องมีอาคมสักตัวเลยจิตที่เปลี่ยมด้วยเมตตาธรรมเนี่ยโอ้โห คำต่อว่าคำจุดโลกเราเป็นคนคำจุดโลกเนะี่ยโลกจะไม่ทับเราตายหรอกไม่ต้องห่วงโลโกโปาธรรมพิการเมตตาเมตตาธรรมคำจุดโลกนะรับรองได้ไม่มีใครมาแตะเราได้นะไม่มีก็เพราะเพราะเราฝากท่านหมดแล้วฝากไม่มีท่านมีตรรมาก็โดนแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้มาทำร้ายนะ เข้ามาเอาปากมาจิกนิวัวไม่โป้ง ท, ทําท่าเหมือนกับกัดกัดกัดเราให้ให้ตื่นจริงๆน่ะมาก็นอนแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเองมาเรียกให้ทำความเพียรจะได้ในการล้มตัวก็ยังอยู่ในจิตที่ยังภาวนาอยู่ก็ไม่เสีดุ้งหรอกก็รู้อยู่ดึง ก, ก, ก, ก, กึกกกกเอ๊ะอะไรอะไร ก, ก, ก, กึกอะไรอะไร ทำมือคว้าควยฉายสบัด ต, ตัวส่องไม่เห็นตัวเลยส่องดูรอยเท้าไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อามนุษย์สัตว์ก็ไม่ได้ว่าแต่รู้ว่าต้องการให้เราภาวนาเราก็ภาวนาต่อภาวนาจนนูนและได้อารุณรุ่งของวันใหม่แต่ไม่มีความสุขนะโยมเชื่อไหมจิตที่ภาวนาใน ในช่วงที่เราได้ทรมาเนี่ยโอโหเวลาตอน อ, อรุณที่จะจับขอบฟ้าเนี่ยจิตมันสว่างมันแบบโปร่งโลง่งแต่มาบอกไม่ถูกใช้คำว่ามันวิเศษมากๆเออคำนี้ดีกว่ามันได้รสที่มันโปร่งโลง่งสบายหายใจเย็นกายสัมผัสมันเนียนไปหมดทำมามใช้ว่ามันเนียนไปหมดเลย มองเลยมันก็เนียนจิตมันเนียนเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะมันเนียนสบายพูดแล้นน้ำไหลไหลโอ้มันสบายจริงๆนะจิตอย่างงั้นแมมันมันเหมือนอยากจะลอยได้ะมันโปร่งมันเบามันโล่งมันอิสระมันเสรีเออคุศลจิตมันสบายจริงแล้วก็แผ่เมตตาไปแบบ จิตมันเมตตาจริงๆนะไม่ใช่แผลเมตตาหน้าเป็นยักษ์อยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้จิตมันแผ่ไปแบบนี่ที่บอกจิตที่มันมีพลังแห่งการภาวนาโอ้เวลาแผลเนี่ยตัมมาพูดได้เลยว่าถ้าเป็นกระแสนะใช่ไหมกระแสมันไปไกลอย่างเราแผลธรรมดาตัมมาบอกไม่ไกลเท่านี้นะแล้วเราจะสัมผัสเองได้ตรงนี้ เราจะรู้ได้จิตของเราสัมผัสได้นะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นมันสัมผัสได้นะแต่เป็นเฉพาะในการเวลาไม่ใช่เพื่อเจอนะเอามานั่งพูดรำไรมาฝอยกันไม่ใช่นั่นมันฟุง้งปฏิบัติคุยมากฟุงฟ้งนะฟุ้งดีไม่ดีโดนหลอกต้องระวังระวังจิตต้องนิ่งใจต้องวางรู้อะไรก็สักว่ารู้ อะไรเกิดก็สักว่าเกิดอะไรที่ปรากฏขึ้นในโมทวันก็ปรากฏขึ้นแต่เราจะไม่เข้าไปปรุงไปแต่งมิดสภาพรู้อย่างเดียวพอเราทำไปนานไปนานไปนานไปนานไปจิตที่มันไม่ถูกหลอกแล้วเนีะมันจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากข้นมากขึ้นกขกขาขึ้น ทำที่ไม่เกิดก็เกิดฌานที่ไม่เกิดก็เกิดยานวิปัสนาที่ไม่เกิดก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอั น, นะสมควรเวลาในการรับฟังธรรมก็ขอยุตติแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจเจริญพร